การทำความดียังไงยังไงมันก็ไม่ราบรื่นหรอกมันก็ต้องมีอุปสรรคจะมีอุปสรรคมากอุปสรรคน้อยมันก็แล้วแต่สถานการณ์ไปแต่แน่นอนแหละการทำความดีมันไม่มีอะไรที่มันราบรื่น ง, ง่ายสะดวกตลอดทุกครั้งตลอดทุกเวลา มันก็ต้องมีอะไรที่มันมาคอยขัดขวางให้เราทำความดีได้ยากมันก็มีทั้งสองส่วนนั่นแหละส่วนทั้งที่เราเรียกว่าอุปสรรคภายนอกเหมันอย่างที่เราจะทำความดีโดยการที่เราจะรักษาศีลให้ดีให้บริบูรณ์ มันก็มีหลายเรื่องหลายอย่างอย่างเพื่อนชวนไปเที่ยวบ้างชวนไปเที่ยวสัมภเเทเมาชวนไปเล่นการพ น, นันชวนไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเหล่านี้มันก็มาขัดขวางการรักษาศีลที่จะบริบูรณ์ของเราลงไปอันนี้ก็ ภายนอกแต่อันหนึ่งก็คือภายในภายในก็คือจิตใจของเราเลนแหละที่มันมีมารภายในอย่างความขี้เกียจขี้คร้านอันนี้ก็เป็นมารภายในที่คอยขัดขวางการทำความดีของเราอยากจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็ไม่ไหวแล้วเมื่อยมั่ง ปวดเมื่อยมั่งและอ๋วันนี้เราพักผ่อนน้อยวันนี้ร่างกายเราก็ไม่ค่อยจะไหวและเพลียทำงานมากหรือไม่ก็งานยังไม่เสร็จงานยังต้องรีบทำส่งมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ มาวัดกำลังใจเราใช่ไหมงานภายนอกมันก็มาบีบคั้นให้เรามีอุปสรรคทางใจด้วยที่จะทำความดีมันก็ต้องอยู่ที่ที่อุบายของเราอะที่จะเอามาแก้ไขแก้ไขทั้งข้างนอกแก้ไขทั้งข้างในข้างนอกเราจะมีอุบายกับสังคมกับ คนรอบข้างในการที่จะอยู่ร่วมกับเขายังไงเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดให้ศีลของเราเนี่ยมันไม่ด่างพร้อยไปแล้วเราจะอยู่เครื่องนอกยังไงโดยโดยที่เรายังรักษากำลังใจในการที่เราจะรักษาศีลให้มันดีส่วนภายในของเราเราจะ สร้างเสริมกำลังใจยังไงมีอุบายที่เราจะหักไอความรู้สึกที่มันจะมาขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเราจะมีอุบายแก้ไขกันยังไงอันนี้ก็มันก็พอบอกได้บ้างแต่คนที่ทำได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะเราอยู่กับตัวเราเนี่ยตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมง จะมีใครที่จะมาอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงมันก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องหัดที่จะหาอุบายให้ตัวเองหาช่องออกให้ตัวเองแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่เรามีสติคอยระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆมันก็เป็นเครื่องเตือนเครื่องชุดรังให้เราไม่ประมาทได้ดี ซึ่งความตายเนี่ยมันจะมาถึงตอนไหนมันก็บอกไม่ได้เยอาจเจวะกิจจะมาตะปังโกจัญญามารณงสุเว เ, เราก็ไม่รู้ว่าความตายมันจะมาในวันไหนแหละวันนั้นก็ต้องรีบเร่งทำความเพียรรีบร่งทำความดีณนะตอนนีนะ้วันนี้ อย่าผัดเพี้ยนอย่าผัดผ่อนที่จะทำความดีไปในวันต่อๆไปในวันรุ่งขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าเราจะพลาดท่าเสียทีนะตอนไหนแต่ตอนนี้เรามีเวลาให้กับตัวเองเรามีเวลาว่างที่จะทำความดีให้กับตัวเองให้กับจิตใจของตัวเองซึ่ง ต้องใช้เวลาอันมีค่าของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแน่นอนแหละเวลาที่เรามีเวลาแบบเนี้ยคนเรามีเวลาแบบนี้ในช่วงก่อนเข้านอนแบบนี้เขาก็ใช้เวลาไปในกิจกรรมต่างๆกันบางคนก็เอาไปคุยเล่นกับเพื่อนฝูงกับคนรัก บางคนก็มีแนวคิดที่เออเราก็ต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแบ่งเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับสามีมีเวลาให้กับภรรยาหรือบางคนก็แก้งเหงาในการที่เอาเวลาไปอยู่ในโลกของโซเชียลเอาเวลาไปดู หนังฟังเพลงแก้เบื่อแต่ถ้าเราคอยมีสติระลึกนึกถึงความตายอยู่ได้บ่อยๆเราก็จะมีเครื่องเตือนเครื่องระลึกให้กับจิตใจว่าความตายมันมาเยือนตอนไหนเราก็ไม่รู้เราตายไปแล้วอะไรที่เรากำลังคล้องแวะจิตใจเรายังคล้องติดอยู่ เราเอาไปด้วยได้ไหมไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศาก์ต่างๆเราเอาไปได้หรือเปล่าพอมันเอาไปไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องมีคำถามขึ้นกับตัวเองว่า แล้วเราทำอะไรอยู่อะไรที่เราเอาไปได้เอ่อหลังจากที่เราตายไปเนี่ยเราเอาอะไรไปได้ใจเราเนี่ยอยากจะเอาไปแต่เราเอาไปได้ไหมถ้าเอาไปไม่ได้แล้วที่มันต้องเอาไปคืออะไรสุดท้ายมันก็มาจบลงอยู่ตรงที่ บุญและบาปนี่แหละที่มันจะติดตัวติดใจที่มันจะเป็นสิ่งที่ไปกับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองครับอีกว่าใจของเราเนี่ยตอนนี้มันให้ความสำคัญกับสิ่งต่างต่างอย่างเช่น โซเชียลมีเดียที่เรากำลังจะดูหนังละครที่เรากำลังจะดูหรือว่าไปไถใน Facebook ดูชีวิตของคนนั้นชีวิตของคนนี้คนนั้นบ่นในเฟซว่าอย่างนี้คนนี้บ่นในเฟซว่าอย่างนั้นคนนี้มาพูดถึงเรื่องราวชีวิตในแง่ดีมีกำลังใจคนนี้มาเอานินท้าคนอื่น อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันควรแล้วหรือที่เราจะเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าเราพิจารณาให้มันละเอียดละออรอบข้อไปเนี่ยเราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมาเนี่ยเราก็เวียนเกิดตายมารับความสุขความทุกข์แบบนี้เนี่ยแหละ ความสุขที่มันได้จากตาหูจมูกลิ้นกายแต่แน่นอนแหละมันก็อาจจะต่างกันในแง่ของของเทคโนโลยีคือในโลกของสมมติในยุคนั้นๆของของในยุคนั้นๆน่ะจะสุดท้ายเนี่ยมันก็ขมวดลงตรงจุดที่เหมือนกันคือเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละ แต่ถ้าคนที่มีความไม่รู้มากมีโมหะอยู่มากมันก็จะไปเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องของสมมุติรายละเอียดของสมมติที่มันแตกต่างกันแล้วก็ถือเอาเป็นจริงเป็นจังเขาก็จะไปให้ความสำคัญมุ่งเน้นยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากๆการที่มันละเอียดลออเนี่ยมันดี แต่ถ้าเราละเอียดละออในเรื่องที่เราไม่ควรละเอียดละออเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วเรื่องที่เราควรจะละเอียดละออก็คือเรื่องของสภาวะของใจต่างหาว่าใจเราเคยเห็นสภาวะของใจไหมกระแสของใจไหมแล้วใจของเราเนี่ยเรารู้มั้เท่าทันมันไหมว่ามันผูกติดผูกยึดในเรื่องไหน ในเรื่องที่มันมีสาระหรือในเรื่องที่มันไม่มีสาระเกี่ยนสารทิ้งแท้ถ้าเราละเอียดประอในเรื่องนี้ได้เนี่ยมันเป็นทางดีมันเป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตใจที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนกลับมาใช้หนังซ้ํา เวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีเวลาว่างเนี่ยพอเรามีสติคอยเตือนใจอยู่บ่อยๆคอยะระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆเราก็จะได้เขาเรียก ว, ว่าไอไอธรรมะธรรมะฝ่ายดีมันก็จะมีกําลังขึ้นความไม่ประมาทมันก็ จะเป็นคุณสมบัติติดกับใจของเราได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเครื่องระลึกเครื่องอยู่ของใจที่มันเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพาน ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของใจที่มันเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้มันก็จะพาให้เราวนสารวนอยู่กับเรื่องต่างๆของโลกสมมุติสารวนอยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายมันก็จะต้องกลับมาเวียนเกิดเป็นตายอย่างนี้อีกเพราะนั้นในเวลาที่เรามีเวลาเราก็ต้องพยายามที่จะ มันที่จะทำให้คุณธรรมฝ่ายดีหรือถ้าจะพูดที่มันย่อลงไปก็คืออัปประมาณนัธรรมเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราบ่อยๆเพออัปประมาณนัธรรมคือความไม่ประมาทเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราได้บ่อยๆเราก็จะเลือกที่จะใช้เวลาให้มันได้อย่างมีคุณค่าให้มันมีคุณค่าที่สุด กับเรากับชีวิตของเรากับใจของเราเวลาเนี่ยมันมีจากัดบางคนบอกว่าเราอาจจะเหลือเวลาเท่านั้นเท่านี้ฉันยังไม่แก่ตายง่ายๆหรอกฉันยังไม่ตายง่ายๆล่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปละความเป็นจริงคือเราไม่รู้หรอกว่าความตายเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ ความตายมันจะมาเยือนอเราตอนไหนตอบไม่ได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยมีเวลาแล้วเราก็จ่ายเวลาของเราไปเรื่อยๆเวลาที่เรามีมันก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปหมดไปการที่เรามีใจคิดว่าเรามีเวลาอยู่ยังเหลืออยู่ กับกรณีที่เรามีใจที่เราคิดว่าเวลาที่เรามีอยู่แล้วเราก็ใช้หมดไปเรื่อยๆนะมันหมดไปหมดไปบุคคลสองประเภทนี้แน่นอนว่าบุคคลที่คิดว่าเวลาของเราเนี่ยมันหมดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดทั้ววันนี้หรือเปล่าหมดณตอนนี้เลยหรือเปล่าอาประมาณนัธรรมของเขา ประมาณธรรมในใจของเขามันจะต้องมีกำลังแน่นอนพอมันมีกำลังมันมีความหวาดกลัวภัยในวัฏจักภัยของการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นภัยนะถ้าเราไม่กลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย มันก็ต้องกลับมาอย่างนี้แหละกลับมาอีกแต่ถ้าเรากลัวเรากลัวที่เราจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนี้มันก็จะเลือกใช้เวลาที่เรามีเนี่ยให้มันมีค่าแน่นอนต้องเลือกใช้เวลาที่มีนี้เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสออกจากใจไม่เป็นการสั่งสม เพิ่มอำนาจให้ความไม่รู้เพิ่มอำนาจให้โมหะเพิ่มอำนาจให้ความหลงยึดติดอยู่กับโลกของสมมติแน่นอนแหละมันก็ต้องมีคนถามนะแหละว่าเอ้เราจะทำอย่างนั้นได้อยู่ตลอดทุกนาทีทีโมงเลยหรือเปล่ามันก็ต้องพยายามนะ ถึงมันจะไม่ได้ทุกๆวินาทีแต่ถ้าเรามีแก่ใจที่เราจะทำเนี่ยมันก็ต้องทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆคือคนที่ปฏิบัติน้อยฝึกน้อยมีประสบการณ์น้อยเนี่ยแน่นอนหละความเข้าใจในกระบวนการมันก็จะผิดเพี้ยนไปแต่คนที่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อนเนื่อง เรื่อยๆอาจจะล้มลุกคลุกคลานอยู่บ้างตามเหตุปัจจัยที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สู้ไม่ถอยไม่ท้อถอยแล้วก็พยายามสู้ทุกเม็ดก็จะเห็นนั่นแหละว่ามันไม่ใช่ว่าตู้มเดียวแล้วมันจะดีสำหรับบางคนที่ฝึกน้อยขยันน้อย โดนกิเลสมันดึงเอาไปใช้สอยเวลาเยอะมันก็จะมีความคิดว่าเออเดี๋ยวเราทุ่มลงไปทีเดียวเลยแล้วมันก็ต้องได้ผลดีดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่หรอกความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนี่แหละทำทีละน้อยบ่อยๆอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะ ต่เนเื่องเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยไปนี่แหละจะมาทาเยอะๆทำทีละเยอะๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำยากกินกําลังแล้วเราจะไม่มีกําลังที่เราจะเมนเทนมันได้นานๆหรอแต่ถ้าเราทำทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันก็ไม่กินกําลังเรามาก พอมันไม่กินกำลังเรามากเราก็ทำได้เรื่อยๆเหมือนการหายใจก็เหมือนกันเราลองหายใจแบบทีละเยอะๆทีละมากๆหายใจเข้าแรงๆสูดหายลมหายใจยาวๆอยา่างอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเนี่ยมันไปไม่ไหวนะมันไปลำบาก ร่างกายเรามันมันมันมันมันโหลดเกินไปแต่ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบเนี่ยเราไม่ได้บังคับปัญชาอะไรเราก็มันมีหน้าที่ที่มันจะต้องปั๊มลมเข้ามันอยากปั๊มเท่าไหร่ก็ให้มันพอดีใช่ไหมมันก็จะไปได้เรื่อยๆเราก็ไม่รู้สึกขัดอะไรร่างกายเราก็ไม่ได้รู้สึกขัดข้องอะไรเพราะฉะนั้น ทำให้มันพอดีแล้วเราก็ทําให้มันได้บ่อยๆให้มันได้ต่อเนื่องอันนี้เป็นจุดสําคัญภาพลักษณ์ที่แบบเออจะไปลบทีเดียวตุ้มเดียวเทหมดหน้าตักอะไรเงี้ยอันนั้นมันมันใช้ได้ไม่สาธารณะแต่ถ้าใช้สาธารณะได้เนี่ยก็คืออย่างนี้แหละทําไปเรื่อยๆ ทำบ่อยๆภาวิตาพาหลีกาตานะทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆทำให้มากๆแต่เราจะเมนเทนจิตใจให้เราย้อนกลับมาทำให้ได้บ่อยๆนะความไม่ประมาทการเห็นโทษการเห็นโทษของในวัฏฏะการเห็นภัยในวัฏฏะอันนี้มันก็จะเป็นตัว สร้างกำลังใจอ่ะให้เราสลัดสลัดจากอุปสรรคภายนอกสลัดจากอุปสรรคภายในแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าที่ที่เราควรจะต้องทาให้กับตัวเองให้กับจิตใจของตัวเองแต่ว่าพูดมาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้เราคานึงคิดถึง แต่กับตัวเองโดยถ่ายเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าตายไปแล้ว เ, เพื่อนฟูงลูกผัวเมียอะไรอเอาไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่มีสาระอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องใยดีเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรย้อนกลับมาทำความเพียรเราอยู่บนโลกของสมมุติเนี่ย มันก็ต้องรู้จักใช้สมมติด้วยคนดีนะคนดีก็ต้องรู้จักใช้สมมติให้มันเป็นว่าหน้าที่ของเราคืออะไรสมมติของเราอยู่ที่ทำงานเราก็ต้องใช้สมมติตอนนั้นให้ดีใช้สมมติของภายนอกหน้าที่การงานของเราให้ดีการที่เราใช้สมมติให้มันดีเนี่ย คุณธรรมมันก็ไ ด, ด้โดนการพัฒนาไปด้วยได้โดนขัดเกลามีการพัฒนาไปด้วยแต่ถ้าเราใช้สมมุติไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะพัฒนาจิตใจเรานะว่าเรามาโอ้ยเราจะเอาแต่วิมุติมันจะฝึกสติเราจะหลุดพ้นแล้วยิ่งกลับกลายเป็นว่าเราใช้สมมุติไม่เป็นเนี่ยมันก็มาบั่นทอน ทางเดินเส้นทางเดินที่มันจะมุ่งหน้าไปสู่วิมุตด้วยเพราะนั้นเราใช้สมมติเราอยู่ในโลกของสมมติใช่ไหมเราก็ใช้สมมติเราก็ใช้อย่างถูกต้องมันก็จะเป็นการฝึกเป็นการขัดกลาวกิเลสไปในตัวด้วยเพราะว่าสมมติเนี่ยมันก็มีสองฝ่ายต้องฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดีใช่ไ เพราะนั้เราใช้สมมติฝ่ายดีมันก็เป็นไปเพื่อที่จะนำเราไปสู่ความหน่ายความคลกํกำลันํำไปสู่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิ่ผ่านได้เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธสมมตินะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือ เขาไม่หลงไม่หลงยึดติดกับสมมุติเพราะว่าเขาเห็นแล้วเนี่ยว่าถ้าเราหลงเรายึดติดอยู่ในสมมุติอันนี้มันก็ยังต้องติดอยู่ในวัตตะวนอันนี้ไปแต่การที่เราอยู่ในสมมุติเราใช้สมมุติแล้วเราก็พิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเราก็ไม่ยึดติดมัน ไม่ยึดมั่นไม่ถือบ้่นมันสุดท้ายปลายทางณตอนที่เราจะตายไปแล้วเนี่ยมันจะตายได้อย่างที่เรียกว่าสมุเทเฉทะคือขาดศูนย์คือขาดไม่ใช่ขาดศูนย์แบบขาดศูนย์แบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าขาดออกจากวัตฏะอันนี้ศูนย์ออกไปจากวัตฏะอันนี้ เพราะมันไม่มีเชื้อของความเกิดหลงเหลืออยู่ในใจเพราะความไม่รู้มันดับไปตันหาดับไปการที่เราจะไปถือพบถือชาติใหม่ด้วยอำนาจของตันหาก็ไม่มีเหมือนที่เราสวดมนต์กันนั่นแหละตันหาใช่ไหมในอริยมรรคมีองค์แปด ยายังตันหาปนโนภวิกาเนี่ยปโนภวิการนี่คือเป็นไปเพื่อถือพบชาติอันใหม่อีกอันนี้คืออํานาจของตันหาทําให้เราไปถือพบถือชาติใหม่อีกในถ้าเรารู้เท่าทันเราเห็นโทษของตันหาเราละมันได้เราละมันออกจากใจได้ พนโนภวิกาก็คือการที่เราจะไปถือพบอื่นอันใหม่อีกเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมาเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายจนมีสุขมีทุกข์ที่มันควบคุมไม่ได้อีกแแต่ก็อย่างว่าแหละทำอะไรเราจะทำความดีมันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละ อุปสรรคภายนอกอุปสรรคภายในที่เราจะต้องเผชิญคอยแก้ไขปัญหาเราก็สู้กับมันก็บนพื้นฐานอยู่ตรงที่ว่าเราก็ต้องมีสติคอยเห็นกายคอยเห็นใจคอยเห็นอารมณ์ในใจ เราเห็นกายเราเห็นใจเพราะเราเห็นใจปุ๊บเราก็จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันไปผูกอะไรไว้ไปยึดติดอะไรไว้ให้ความสำคัญกับอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่สําสำคัญก็คือสติก็จะเป็นตัวแรกเลยของกระบวนการที่เราจะต้องทำให้แข็งแรงเลย ท่องทำให้แข็งแรงมากๆเหมือนกับที่เรากำลังพยายามอยู่ตอนนี้แหละฝึกที่จะดึงใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจที่พุโทโธใจมันจะไปเรื่องไหนเรื่องไหน1 8อ0แกก็ดึงมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจ ดึงมาไว้ที่พุโทโธที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยแหละพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเจริญคุณธรรมเจริญธรรมะต่างๆพิจารณาธรรมะต่างๆได้ดีที่จุดตรงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นการระลึกนึกถึงความตาย ว่าไงเราก็ต้องตายเห็นโทษของเห็นโทษเห็นภัยในวัฏ ต, ตะอันนี้แล้วก็พอเราเห็นโทษเห็นภัยเนี่ยความไม่ประมาทมันก็จะเกิดขึ้นได้ดีมีกำลังในจิตใจของเราเราก็จะยิ่งเร่งมุ่งหน้าทําความเพียรี่จะก่อยถอดถอนความไม่รู้ออกไปจากใจ แต่จะคอยให้ใครมาคอยเตือนคอยบอกเนี่ยมันก็ต้องสู้เราคอยบอกคอยสอนคอยเตือนหมั่นที่จะพิจารณาให้ตัวเองไม่ได้มันจะต้องพึ่งตัวเองอ่ะพึ่งตนพึ่งทำพึ่งตนพึ่งทำเนี่ยมันพึ่งได้บ่อยที่สุดแล้วล่ะแต่แน่นอนเราจะบอกพึ่งตนพึ่งทำอย่างเดียวมันก็ยังไม่ถูก มันต้องมีกัลยาณมิตรด้วยอย่างเราก็มีกัลยาณมิตรสูงสุดก็คือใครล่ะพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันประรินิพพานไปแล้วเพราะท่า น, น, นที่พึ่งของเราเนี่ยก็คือพึ่งธรรมะใช่แล้วก็มีผู้รู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่เราก็พึ่ง พึ่งท่านอะไรที่ยังไม่รู้อะไรที่มันยังไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มชัดเราก็เข้าไปสอบถามเข้าไปไปพึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองสุดท้ายพัฒนาไปจนถึงที่ว่าเราก็พึ่งตัวเองได้พึ่งตนเองได้พึ่งธรรมะที่ เราจะคอยประคับประคองตัวเราจิตใจของเราให้มันยังอยู่ในความดีอยู่ในเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ความพน้นทุกข์